ถามว่าสับนิยามว่ากรรมมชรูปจิตตชรูปอุตตชรูปอาหารชรูปเนี่ยนะตัวหลักๆที่กล่าวถึงเน้นไปที่ไหนบอกว่าให้รู้ว่าเน้นไปที่มหาภูตรูปอย่างเดียวก่อนให้เน้นว่ามหาภูตรูปอันนั้นเกิดจากกรรมมหาภูตรูปอันนั้นเกิดจากจิตมหาภูตรูปนั้นเกิดจากอุตตมหาภูตรูปนั้นเกิดจากอาหารส่วนรูปอื่นๆเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ เพราะถ้ากล่าวว่ากรรมกรรมมชัรูปจิตตชัรูปอุตูชัรูปอาหารชรูปในชั้นแรกให้เน้นไปที่มหาพูดไว้ก่อนเนี่ยนะแล้วค่อยไขครวนต่อไปก็จะเห็นชัดส่วนสีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยมหาพูดะนั้นมหาพูดมาจากกรรมจิตอุตูอาหารจะเป็นปัจจัยให้สีนั้นนั้นเช่นสีนั้นจะขาวจะเขียวจะเหลืองจะดำจะแดงเป็นต้นก็มาจากมหาพูดเหล่านั้นนั้นเป็นปัจจัย ถ้ากล่าวในแง่รูปประขันรูปทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตาหรือฝ่ายสีก็ตามเบื้องหลังคือมหาผีเหมือนกันเบื้องหลังของนั้นๆเนเบื้องหลังของตาก็คือมหาพูดแปล ว, ว่ามหาผีใช่ไหเบื้องหลังของสีก็คือมหาผีอีกเหมือนกันเราชักจะได้ดีขึ้นแล้วนะก็เบอร์ น, น, นายในรูปประขันขึ้นไปเยอะนะถ้าใช้ศั์แบบนี้นะ มันก็เพราะว่าไอ้คาว่ามหาพูดเนี่ยนะมหาตัวนั้นเนี่ยมีหลายความหมายมหาพูดอีกนหนึ่งบอกมหาผีอย่างหนึ่งผีผู้หญิงผีผู้ชายเ่ยนะทีนี้ก็ไอ้อย่างหนึ่งก็คือมหาวิกาลมหาวิกาลก็คือเป็นของที่เสียหายใหญ่มากนนะี่วิกาลไปด้วย แตกทําลายนะเช้นด้วยชาติชราพยาธิมรณะแล้วก็ยังมีความหมายอย่างอื่นอีกก็ว่าของที่ใหญ่ๆในโลกนี้ก็เช่คือมหาพูดอีกนั่นแหละเช่นแผ่นดินเนี่ยใหญ่ใช่ไหมน้ําก็ใหญ่ไฟก็ใหญ่ลมก็ใหญ่เพะนั้นของใหญ่ใ่จะเป็นมันของมหาพูดทั้งนั้นแหละเห็นมหาพูดสีเหมือนอะไรนะถ้าจเจอหนุ่ปัสนาคุณสุจินมันก่อนไปถามต่คนหรือเปล่า เห็นพึงเห็นมหาภูตรูปเหมือนกับอสารพิษสีตัวเหมือนกันเถอะโอ้ที่ลืมตาเห็นได้นี่อาศัยอสารพิษนะสีที่หลังจากเห็นก็อสารพิษอีกเหมือนกันเขาบอกว่าพวกเจริญวิปัสนาชั้นสูงเนี่ยจะมีมีความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยนะเพื่ออะไรเพราะเพื่อต้องการให้จิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นคืออะไรคือจิตที่พ้นจากสังคตะธรรมเหล่านี้ทั้งมวลเหมือนกันเถอะ เพราะถ้ายังแบบโอ้โหชื่นชมในตาชื่นชมกับสีก็อันนั่นแหละคือสิ่งที่จะพูดต่อไปคือเครื่องผูกเครื่องผูกอันนี้คือเท่ากับสังโยชน์ใช่ไหมสังโยชน์ที่มันเป็นเส้นที่ละเอียดอ่ะนะผูกตาไว้กับสีถ้าไม่เห็นอ่ะนะเช่ น, นอะไรที่เราชอบชอบอ่ะนะ ถ้าไม่เห็นหน่อยคลาดสายตาไปหน่อยนะถ้าตอนเห็นกราค่าสังโยชน์ก็เกิดขึ้นนะถ้าไม่เห็นอีกปฏิฆาสังโยชน์ก็จะเกิดถ้าเห็นแล้วมันไม่ดีอย่างที่อย่างต้องการก็โทสะสังโยชน์เป็นต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นว่พาพวกนี้เป็นเครื่องประกอบเอาไว้เป็นเหมือนกับศึกษาเชือกสิบเส้นที่มันมัดเอาไว้อย่างเงี้ยนะสังโยชน์แต่ละอย่างนี้เหมือนกับเชือกสิบเส้นที่มัดตาให้เห็นต้องเห็นกับ สีต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่าตากับสีรับรู้กันเนี่ยเชือกเส้นไหนจะเกิดขึ้นได้บ้างก็รู้ชัดที่มันมันมดตากับสีทีนี้ถ้ามันมันมันยังไม่ผูกนะมันจะผูกได้ยังไงก็ต้องรู้ชัดอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเอาเอาสังโยชน์แบบย่อๆมานะสังโยช์ว่าโดยย่อๆก็คือถ้าย่อแบบนี้วร น, นะก็คือการมาฉันทะอย่างหนึ่งใช่ไหมสองพยาบาท อันนี้ก็คือกลุ่มสังโยชน์หรือถ้าเพิ่มอีกหนึ่งก็คือกลุ่มพวกทิฏฐิและวิจิกิชฉาอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างให้ใช้ก่อนนะเช่น ว, ว่ารู้จักสังโยชน์คือขอรู้จกัจกจักษุคือรู้จักรู้ชัดตารู้ชัดสีและรู้ชักรู้ชัดการมมรทะหรือการมเรียกว่าการมราคะสังโยชน์เนี่ยนะที่ติดใจในตากับสีเนี่ยมันชอบยังไงก็คือ วิธีชอบก็คือเพลิดเพลินในสีว่าสีนี้งามเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นกรรมกรมกมกม ร, ราคาสังโยชน์เนี่ยนะที่ชอบว่าสีเนี่ยงามหรือถ้าสังโยชน์มันยังไม่เกิดเนี่ยนะให้น้อมใจว่างามงามคิดคิดว่าเออดีนะสวยนะมีราคานะแพงนะดีนะคือคิดหาคำกล่อมมาลักษณะชื่นชมนะ ชื่อมชมสีนั้นไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะไอที่ยังไม่เกิดมันก็มันก็เกิดอ่ะ น, นะอาโยนิโซเ น, นอนอมาสีนี้สวยนะงามนะราคามันแพงนะหายากนะก็ชมอย่างนี้ไปอีกพักหนึ่งมันจะนึกชอบสีนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเครื่องผูกมันก็เส้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้แต่ถ้ามองบอกมันไม่ดีไม่สวยใช่ไม่ได้ไม่มีราคา หน้าทิ้งมากหน้ารังเกียจมากะนะคิดแบบนั้นมา ก, มา ก, ม, า ก, ม, ากมากเข้าเป็นปฏิฆะสังโยชน์หรือลักษณะพยาบาทนี่วรจะเข้ามานั่นสัตว์นะนั่นชีวะนะนั่นผู้เป็นใหญ่ท่านบรนดานให้มานะคิดลักษณะนี้ไปเรื่อยๆทิฏฐิสังโยชน์ก็ก็เกิดขึ้นสีนี่มาอย่างไงนะมาจากใคร ในอดีตมันเคยมีหรือเปล่าอนาคตจะมีไม่หรือไม่มีนะการคีดไปแบบนี้มากๆพวกนี้จะเป็นวิจิกิจฉาสังโยชน์อันนี้พอเป็นตัวอย่างก่อนว่าเชือกสิบเส้นที่ที่ผูกเอาไว้เนี่ยนะที น, นี้ถ้าจะถูกผูกเพราะยังไงก็ต้องไปรู้ชัดแล้วถ้าถูกผูกแล้วจะละได้ยังไงก็รู้ชัดเนี่ยนะธรรมะกลุ่มนี้ก็จึงแบ่ง แยกกลุ่มคือกลุ่มจักสุกับรูปเป็นกลุ่มปริญยญาธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมะที่ต้องเข้าไปรอบรู้ทั้งหมดส่วนสังโยชน์ทั้งหลายเป็นปหาตประธรรมเนี่ยนะคือเป็นกลุ่มที่ต้องเข้าไปไปละเนี่ยนะเข้าไปละก็ตามหลักก็คือหนึ่งนะรู้รู้ชัดสังโยชน์ที่อาศัยจักสุกกับรูปข้อสองสังโยชน์ที่ยังไม่เกิด จะเกิดเพราะอะไรก็รู้ชัดที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้เพราะอะไรก็รู้ชัดอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ที่จะเรียนต่อไปซึ่งคิดว่าใช้เวลาไม่น่าจะต่ากว่าสองอาทิตย์เนี่ยนะที่จะกล่าวเฉพาะในส่วนของสังโยชน์อย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นสังโยชน์นั่นแหละคือธรรมะนั้นแล้วแต่จะน้อมไปเรียกชื่อว่าเรียกว่านิวรณ์ก็ได้เรียกสังโยชน์ก็ได้ เรียกอนุสัยก็ได้ไไ ก, ไก็เกถ้าว่าโดยลำดับน ะ, ะพระองค์แสดงทั้งโรยลำดับการรู้ง่ายรู้ยากอยเหมือนกันในสติปัฏฐานทั้งยี่บ็บับพระนะถ้าไม่เรียนบับพระก่อนหน้านั้นมาก่อนเนี่ยมันก็จะยากมาโดยลำดับเป็นต้นนะท่าน พระ อ, องค์ก็จะแสดงมาโดยลำดับนั่นนะมาประกอบกันเข้านนะซึ่งก่อนที่จะมาถึงสังโยชน์แบบนี้เนี่ยนะผู้ที่ศึกษาเนี่ยก็ต้องรู้กันว่าปกติแล้วไอ้ตรงจิตเห็นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่ไหม เธอจกักขูวิญญาณเนี่ยถ้ามองในแงจ่จักขูวิญญาณนั้นอะ่ะถือว่าจิตตานุปัสนาเนี่ยพูดมาแล้วเป็นอย่างดีทีนี้จกักขูนี้เป็นปจัจจัยจักขูวิญญาณประชุมการเรียกว่าภาษะในแง่ายของภาษาเนี้ก็แสดงในขันแล้วก็ภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาก็อยู่ในเวทนานุปัสนาเนี่ยนะตัวจักสุก็กายานุปัสนารูปก็เป็นกลม่มกายานุปัสนาเนี่ยนะ จิตก็เป็นจิตานุปัสสนาเวทนาก็เป็นเวทนานุปัสสนาส่วนที่เหลือก็เป็นธรรมานุปัสสนาทีนี้เมื่อกล่าวอย่างนี้เสร็จแล้วพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นปัจจัยแก่สังโยชน์ยังไงเนี่ยนะเพราะเน้นตัวนี้เป็นหลักเนี่ยนะเธอถ้าย้อนบับพทะอ๋าย้อนตามลําดับบับพทะอย่างหนึ่งก็จะเห็นชัดเหมือนกัน ว่าทำไมไม่บรรลุสักทีหนึ่งว่างั้นเถอ ะ, สะแสดงมาตั้งเยอะแยะแล้วไงทยอมาพิจารณาก า, กายกายก็แยกให้14บับพาเนี่ยนะวินิจฉัยตั้งแต่ลมหายใจเป็นเบื้องต้นกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดเขาบอกว่าที่จริงก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดบอกไม่ใช่ผมไม่ได้ติดแค่รูปนะผมติดนามด้วยว่างั้นติดความสุขที่อาศัยพวกนี้อีกองก็สแสดงเวทนาแยกเป็นเวทนาเก้า นะเพื่อที่จะได้บอกว่าน่าจะเบื่อนายเต็มทีแล้วไงนะเวทนามันไม่เที่ยงบอกอจิตมันก็ยังใช้ได้ผมก็จาแนกจิตอีกใช่ไหมก็แยกจิตเป็นสิบหกอีกก็แสดงโดยปริญญารอบรู้ไปทั้งหมดก็ไม่ได้ไม่บรรลุหรอกเพราะจิตมันเศร้าหมองนะด้วยนิวร์เหมือนกันเถอะจิตเศร้าหมองเพราะนิวร์องก็เอานิวร์มาแยกอีกบอกว่า ฮัดน่าจะบรรลุบอกบรรลุไม่ได้เพราะทาปริญญายังไม่รอบพระองค์ก็เลยเอาขันห้ามาเอาขันห้ามาเนี่ยนะต้องไปรอบรู้นี้ขันนี้ความเกิดนี้ความดับเป็นต้นใช่ไหมทีนี้บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่บรรลุอีกเหมือ น, นเพราะอะไรเพราะมันผูกเอาไว้เพราะถูกผูกว่างั้นมันผูกมันผูกทวารตามันก็ใช้ได้ยังเห็นดีอยู่ทวารหูก็ยังใช้ได้เอางี้นะมาจะเป็นอาญาตนะ อายตนะเพื่อที่จะตัดสังโยกใช่ไหมเพื่อที่จะแยกเริ่มแยกแยกเนี่ยนะเอาให้มันละเอียดยิบไปเลยไหนๆก็ไหนๆละทีนี้ถามว่าทําไมาสแสดงตามนี้ไม่บรรลุพราคุณอบรมโพชงไม่พอนีนะก็เลยยกโพชงบับพพะมาทีนี้ก็ไอสัจจะ บ, บัพพานี้ก็เป็นบัพพาที่ชี้ชัดว่าถ้าบรรลุต้องบรรลุสัจจะนะหรือทําไมไม่บรรลุสักทีหนึ่งก็เลยเอาอริยสัจมาสแสดงซะ ละเอียดเลยนะเพราะฉะนั้นในในกลุ่มธรรมะเหล่านี้ก็เป็นไปโดยลำดับเหมือนกันนี่ลองมาดูตัวอย่างของสังโยชน์ที่อัตถกถาท่านยกมาเนี่ยนะถามว่าก็สังโยชน์นั้นเกิดได้อย่างไรตอบว่าเกิดได้อย่างนี้ โดยจะกล่าวในจักขุทวานก่อ น, เ, น, เ, นเมื่อบุคคลยินดีเพลิดเพลิน อ, อิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาอันมาปรากฏทางจักรสุทวานโดยความยินดีในกรมสังโยชน์คือการมราคาก็เกิด น, นะเช่นว่ารูปนี้สวย น, นะเช่นสีนี้สวยสีขาวก็ชัดสีเขียวก็ชัดเจนเลยเนี่ยก็ชื่นชมในสีทั้งหลายแหละทีนี้สีเหล่านั้นนี่ก็ถ้าถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะก็จะต่อไปอีกใช่ไหม สีของผมสีของเล็บสีของฟันสีของนิ้วอ น, นก็เชิญชมอวัยวะในส่วนต่างๆไล่ไปหมดเลยพวกนี้ก็ชื่นชมสีทั้งนั้นนั่นแหละนั่ น, นอมันการเพลิดเ พ, พลินในลักษณะนี้เาเรียกว่าการมาราคะสังโยชน์อันนั้นก็ถูกผูกเลยวนะผูกแล้กวก็าตาเนี่ยผูกไว้กับสีอันนั้นเรียบร้อยแล้วด้วยอำนาจของสังโยชน์ ก็ บ, บอกว่ามันผ so ูกไม่แ hmm. น uh, ่นะนะแต่มันแก่ยากผูกหย่อนๆย่อนแต่ละยากมากเมื่อบุคคลขัดเครืองในอนิถารมที่ไม่น่าปรารถนาสังโยศคือปฏิฆะก็เกิดขึ้นนะามะตาลืมตามองเห็นปั๊บสีนั้นนะถามว่างามหรือไม่งามก็บอกงามราคะไม่งามโทสะใช่ไหม เพราะอะไรเพราะว่าคุณภาพของสีนี่ก็เป็นเครื่องวัดสังโยชน์เหมือนกันนะว่าเถ้าสีไม่ประณีตเลยไม่งามเลยก็โทสะก็เอาไปกินละเมื่อสําคัญว่ายกเว้นเราเสียใครอื่นที่จะสามารถเสวยอารมณ์นั้นไม่มีดังนี้สังโยชน์คือมานะก็เกิดว่าใครจะได้มีโอกาสมีบุญได้เห็นเหมือนเราเน น, นะคนอื่นไม่มีโอกาสเห็นแบบนี้หรอกเหมือนกันเถอะความสวยงามแบบนี้ไม่มีใครเห็นเหมือนเราหรอกอันนี้เป็นมานะหรือว่าเอเราเห็นได้สวย สวยสีที่เราเห็นนี่สวยน้อยกว่าคนอื่นนะคนอื่นเขามีภาพที่สวยมากกว่าเรานะก็มานะมันก็แบ่งปเป็นชนิดตามชนิดไปอีกใช่ไหมอ่านะสีของฉันเนี่ยประณีกว่าคนอื่นอันนี้ ANA, ามานะสําคัญว่าเลิศ ก, กว่าเขาสีของฉันนี่ก็เหมือนเหมือนคนอื่นนั่นแหละอันนี้ก็เสมอเขาสีของฉันนี่แหมเลวกว่าเขาแล้วเกินสวยสู้เขาไม่ได้เนี่ยนะอันนั้นก็มานะที่ที่สําคัญว่าตัวเองต่ํากว่าเขาก็เกิดขึ้นนะะ ก็เช e, ่นพวกนี <vient> Clone, <logo> ้มานะเปรียบเทียบในเรื่องสีเนี่ยนะผิวนะพวกสีผิวเนี่ยบางพวกนี้ก็ชัดเลยใช่ไหมบางแห่งให้ความสำคัญกับสีผิวเนี่ยเป็นอย่างมากก็เป็นที่ตั้งของมานะเนเมื่อยึดถือรูปารมณ์นั้นว่าเที่ยงยั่งยืนสังโยชน์คือทิฐิก็เกิดขึ้นเพราะทิฐินี่สำคัญว่าเที่ยงมั่งสำคัญว่ายั่งยืนนโอ้อีกนอนไหน เมื่อสงสัยรูปารมณ์นั้นว่าเป็นสัตว์หรือหนอหรือว่าเป็นของสัตว์หรือหนอสังโยชน์คือวิจิกิจชาก็เกิดขึ้นเอใครของใครเนี่ยนะอสงสัยโดยที่มีมีสัตว์เป็นพื้นฐานเนี่ยนะมีสั ก, กายะทิฐิเป็นพื้นฐานแล้วก็สงสัยติดตามมาอันนั้นก็เป็นวิจิกิจชาสังโยชน เมื่อปรารถนาพบว่าอารมณ์นี้เราได้โดยง่ายในสมบัติพบแน่สังโยชน์คือภาวะราคะก็เกิดขึ้นนะอันนี้หมายถึงว่าชาติหน้านะเกิดมาชาตินี้อาภาัพผิวไม่งามชาติหน้าฉันจะต้องผิวงามแน่นอนนะทำบุญตัดกวาดเอาไว้ใหญ่เลยคนนี้สําหรับก็มีบางคนใช่ไหมเกิดมาผิวไม่งามก็เลยทําบุญประเภทตัดกวาดเช็ดถูตั้งความปรารถนาชาติหน้าขอให้งามกับเพื่อนเลยนะอย่างลักษณะนี้พวกนี้เป็นภวะราคะสังโยชน์ก็เกิดขึ้น เมื่อถือมั่นศีลและพรตว่าเราถือมั่นศีลและพรตอาจได้สเสวยอารมณ์เห็นตานนี้ต่อไปอีกสังโยชน์คือศีลพรตะปรามาสก็เกิดขึ้นก็มีลทัทธิบางลทัทธิที่มาประพฤติข้อวัดต่างๆเพื่อที่จ ะ, ะชาติหน้าจะได้ประสบกับศีลแบบนี้อีกเนี่ยนะก็ด้วยอำนาจศีลพรตต่างๆนั่นเองปรามาศแปลว่ายึดถือไม่ได้แปลว่า ด, ดูถูก ปรามาศภาษาไทยแปลว่าดูถูกดูหมิน่นแต่ตรงนี้แปลว่าความยึดถือนั่นเองการเข้าไปยึดถือด้วยอํานาจศีลศีละบวกวัตตะวัตตะแปลว่าพรตเนี่ยนะพรตก็คือวัดนั่นเองยึดถือในศีลยึดถือในวัดที่ที่ตัวเองปฏิบัติว่ า, าถ้าฉันปฏิบัติแบบนี้นะข้างหน้าต่อไปฉันจะได้ศีแบบนี้อีกเนี่ยนะหรือเช่นที่เขาเรียกว่าบูชาไฟเ่ยนะอย่างพวก ชดินสามพี่น้องที่บูชาไฟอ่ะนะในทิตตพิา ย, ายาสูตรอ่ะยันทั้งหลายที่เขาบูชาสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสว่าถ้าบูชายันแบบนี้ต่อไปจะได้สีมากขึ้น น, นะเพื่อจะได้สีได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสและถ้าผู้ชายปรารถนาก็ก็ไม่พ้นสตรีนะก็คิดอยู่เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นพวกศีพลพจนทั้งหลายแหละที่ปฏิบัติก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเห็นไหมอาจาถ้าอย่างในพื้นศาสนาจะทําทแล้วปรารถนายัางไงก็เป็นสีพัสดารามา ท่บุญเนี่ยนะเช่นปัดกวาดท่าปัดหนาสีเหลวดีอ่าพวกนั้นเรียกว่าเจโตวินิพันธะเนี่ยนะอ่าเครื่องผูกพันใจในคือหนึ่งในจํานวนเครื่องผูกพันใจห้าประการเจโตวินิพันธะมีอยู่ห้าประการเครื่องผูกพันใจไม่ใ ห, ไให้ไม่ให้เจริญกรรมฐานว่างั้นเถอะคือแทนที่จะมุ่งน้อมจิตไปเพื่อบรรลุสตีก็ไม่เอาอ่ะนะเพราะเหตุผลหนึ่งยังติดในกาม ติดในวัตถุ ก, กรรมกับกิเลสกรามข้อ2ติดในรูปคือสีภายนอกอั น, น, นที่เห็นนะนะอาจจะชอบรูปนั้นรูปนี้ต่างๆก็3มก็ติดในกายตัวเองนี่นะติดในร่างกายข้อที่สี่ก็คือชอบหลับชอบนอนอนะข้อที่หสุดท้ายก็คือเนี่ยตั้งความปรารถนาว่าด้วยศีลนี้ด้วยตะบะนี้ขอขพเจ้าจงเป็นผินผู้มีรูปเช่นนั้นอารมณ์เช่นนี้ก็ตั้งความปรารถนาไป คนที่เกิดมามีลูกงานี่เป็นเป็นวิบากใชครับเป็นกุศลวิบากหรือเปล่าก็อย่างนี้เขาไม่เรียกว่ากุศลแวิบากหรอกเขาเรียกว่าเป็นผลของบุญคือศัพว่าวิบากเนี่ยโดยทั่วทไปนิยมใช้กับนามมาทมอย่างเดียววิบากนะมันก็ถือว่ารูปงามก็มาจากผลของบุญนั่นเองอนะถือว่าเป็นผลของบุญ ต่อไปว่าเมื่อเกียรติกันริษยาอยู่ว่าคนอื่นไม่พึงได้รูปารมณเห็นตานี้กันเลยสังโยชน์คือริษยาอิศาก็คือริษยาก็เกิดขึ้นเนี่ยนะคือคือไม่ต้องการให้ใครได้อะไม่ต้องการให้ใครได้รูปแบบนี้เห็นไหหรือเห็นคนอื่นที่เขาได้ก็ไม่ไม่ชอบใจเลยนะแกไม่น่าจะได้รูปงามขนาดนั้นเลยคือถ้าเป็นเสื้อผ้าทั้งหลายมันมันไม่น่าได้ผ้าดีๆขนาดนั้นใช้เลยนะมไ่นึกไม่ชอบขึ้นมาคือไม่ชอบ ที่เขาได้ผ้าสวยๆใช้เป็นต้นนั่นเองนะนึกไม่พอใจพวกนี้ก็เป็นริษยาสังโยต์กเกิดหรือห่วงเห็นตน่รูปารมณ์ที่ตนได้แล้วต่อผู้อื่นสังโยต์คือมัจฉริยะก็เกิดขึ้น น, นะนะก็ยึดติดห่วงไม่ไม่ยอมแบ่งใครเลยนะก็เก็บเงียบอย่างเดียวคือของบางอย่างมันสามารถแบ่งกันใช้ได้ใช่ไก็ไม่ยอมให้ใครใช่ว่าฉันจะใช้อยู่คนเดียวนี่แหละอันนี้ลักษณะของ มัฉริยะสังโยชตก็เกิดเมื่อไม่รู้แจ้งคือโดยไม่รู้ธรรมะที่เกิดขึ้นพร้อมกับจักรสุและรูปทั้งมวลสังโยชตคืออวิชาก็เกิดจำนวนว่าถ้าไม่รู้จักรสุเหตุเกิดของจักรสุความดับของจักรสุอาศะทาอาทีนวะนิสระนาของจักรสุอันนั้นแหละเป็นอวิชชาถ้าไม่รู้จักรูปเหตุเกิดของรูปความดับของรูปอาสาธาอาทีนวะนิสระนาของรูปอันนั้นแหละเป็นอวิชชาสังโยชน์ ถ้าพูดง่ายๆว่าเนี่ยทั้งการมาราคะปฏิฆะมารณทิฏฐิวิจิกิจชาศิลปตระปรามาริษยามัฉริยะพวกนั้นอวิชชาเป็นราบหมดเลยเพราะว่าทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้รู้อริยสัจอะไรเนี่ยนะเพราะว่าอาวิชชานี้เน้นที่ไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะไอความไม่รู้ในอริยสัจในวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่าอาวิชชาสังโยชน์ก็เกิดขึ้นเนี่ยนะ บทว่ายะถาจะอนุปนัสสะที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุใดความว่าสังโยต์แม้ทั้งสิบอย่างนั้นที่ยังไม่เกิดโดยไม่ฟุ้งขึ้นย่อมเกิดเพราะเหตุใดย่อมรู้ชัดเหตุนั้นด้วย น, น, น ะ, อะตอนแรกก่อนใช่ไหมกล่าวว่าถ้าสังโยต์ทั้งสิบเนี่ยมันเกิดก็รู้ชัดอย่างที่สองถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดขึ้นก็รู้ชัดใช่กลมที่สามว่ายะถาจะ อบปันนสะที่เกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุใดความว่าสังโยชน์แม้ทั้ง10อย่างนั้นที่เกิดขึ้นแล้วเพราะอาจว่ายังละไม่ได้หรือเพราะฟุ้งขึ้นย่อมละได้เพราะเหตุใดเธอย่อมรู้ชัดเหตุนั้นด้วยนะว่าที่สังโยชน์มันไม่เกิดหรือที่มันเกิดเนี่ยนะเราละมันได้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องรู้ชัดเนี่ยนะว่าเช่นราคาสังโยชน์เกิดขึ้นละได้ยังไงพยาบาทสังโยชน์เกิดขึ้นละได้ยังไงวิจิกิช้าสังโยชน์เกิดขึ้นเนี่ยละได้ยังไงเนี่ย เพราะฉะนั้นก็ต้องมาไล่เรียกว่าไล่ละได้หมดเลยเหมือนกับอุปสํานวนว่าเหมือนกับไล่ปิดไฟทุกดวงอ่ะนะสมมติว่าสวิ๊กมันเยอะนะัก็ไล่ปิดปิดปิดปิดปิดปิดไปเรื่อยอย่างงี้บทว่ายถาจ่าปะฮีนัสะที่ละได้แล้วเพราะเหตุใดความว่าสังโยติสิบอย่างนั้นแม้ละได้แล้วโดยต่ทางข้าประหารและวิขมปะณะปร ะ, ะปหารย่อมจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกได้เพราะเหตุใดเธอย่อมรู้ชัดเนี่ยนะ ถามว่าสังโยชน์สิบนั้นย่อมจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะเหตุใดต่อว่าสังโยชน์หอย่างคือทิฏฐิวิจิกิจฉาสีและพรตาปราหมมาฤษยาและมัชระยะย่อมจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยโสดาปฏิมัตอันนี้ละได้เด็ดขาดนะต้องระดับโสดาปฏิมัคจึงจะละได้เด็ดขาด5ข้อส่วนสังโยชน์สอย่างคือการมราคะและปฏิฆะอย่างหยาบย่อมจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยสกทาคามีมัต ส่วนการมาราค่าและปฏิฆาอย่างละเอียดจะไม่เกิดอีกต่อไปด้วยอนาคามิมักเนี่ยนะสังโยชน์สามอย่างคือมานะภาวะราค่าและอวิชาย่อมไม่เกิดต่อไปด้วยอรหัตตะมักเนี่ยนะมันก็สรุปรวมย่อง่ายๆว่าสังโยติบละได้เด็ดขาดต่อเมื่อเป็นพระอระหันต์แต่ทีนี้ก็เริ่มค่อยๆไล่ะนะว่าตอนแรกที่ละสังโยชนี่ต้องรู้จักละโดยทางข้าประหารกับ วิขมพนะประหารก่อนนะไม่ใช่ว่าขึ้นต้นจะเอาแต่อรหัตมักอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าการตรัสรู้หรือการบรรลุก็ต้องเป็นไปโดยลําดับเบื้องต้นก็คือสมถะกับวิปัสนาเนี่ยนะแต่ทางค้าประหารกับวิขมพะนะประหารทํายังไงที่สังโยชน์เหล่านั้นจะไม่ฟุ้งขึ้นจะไม่กําเริบขึ้นนั่นเอง <c oughs> ส่วนในรายละเอียดพิสดารก็คงจะเป็นเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะ ตรนี้ก็ต้องเวลาละอาหจะต้องมีสมถะขมัละด้ว ย, นวยในการละนั้นต้องละด้วยสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะเช่นการมราคคาสังโยชน์เนี่ยนะละด้วยะตะทางข้าประหารอันนี้ถือเป็นเบื้องแรกก่อนตะทางค้าประหารเนี่ยหมายถึงศีล น, น น, นเพราะว่าศีลก็เป็นตะทางค้าประหารบางแห่งก็ไล่มาตั้งแต่ทานเนี่ยนะทานก็เป็นตะทางค้าปรหารศีลก็เป็น แต่ทางข้าประหารสมถะเป็นวิขำพระณะประหารวิปัสนาเป็นแต่ทางข้าประหารแล้วมาอบรมสิ่งเหล่านี้จนบริบูรณ์เป็นจนเป็นสมุทเฉทประหารเนี่ยนแล้วก็เริ่มประหานะตั้งแต่เนี่นนนนนยนะเจริญพรเริ่มตั้งแต่ทานเช่<า>นการ ว, วัตถุบางอย่างก็ต้องต้องให้อะนะโลเพราะเหตุใดเนอสัตว์ทั้งหลายจึงให้ไม่ได้ก็เพราะเหตุโลภะนั่นแหละ มันติดมันคล่องเพราะฉะนั้นให้ทานแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อจะได้ไม่ไม่ติดไม่คล่อง น, นะนานี่ก็ต้องลนะ่ม้รวยมุทิตาเนี่ยธรรมะกลุ่มนี้เป็นธรรมะที่กว้างมากนะนะคือเขว่าให้เต็มนะธรรมะหมวดเนียกลุ่มถ้าใครศึกษาคุถกะวัตถุหรือคุถกะวิพังเนี่ยนะนั่นแหละกิเลสทุกชนิดตามนั้นนั่นแหละ หมายความว่า เ, เวลาพระโยคาวจรในในสมัยพุทธกาลที่ว่าท่านบําเพ็ญเทียนเนี่ยหมายว่าท่านทําปริญญาสิ่งเหล่านี้เนี่ยสมมุติว่าในอายจตนาบัพานี่ฮะ ท, ท่านท่านท่านทำปริญญารอบรู้อย่างนี้ทั้งหมดโดยโดยมนสิการโดยโยนิโสมนัสิการใช่ไหมครับก็โดยโยนิโสมนสิการเนี่ยนะเช่น ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งสมมติได้ยกตัวอย่างว่าเช่นสีของผมอย่างงี้ยเน hmm. ่ยผู้ที่เจริญกรรมฐานเช่นยกผมเป็นอารมณ์เนี่ยรู้จักตารู้จักเส้นผมเหมือนกันเถอะทีนี้ก็ในตาเนี่ยประกอบมาจากปัจจัยอะไรเหตุอะไรเนี่ยนะรู้ชัดหมดเลยรอบรู้ในจักสุขหมดแล้วเส้นผมเนี่ยประกอบไปด้วยกี่รูปเกิดจากกี่ปัจจัยกี่ส ม, มุตฐานก็รู้ล้ทีนี้ต่อไปก็บอกว่าถ้าจะชอบผมได้ไหมอันนั้นเป็น ราคาสังโยชน์ใช่ไหมถ้าจะรังเกียจได้ไหมอันนั้นเป็นปฏิฆาสังโยชน์เอ๊ยผมอันนี้นี่มันใครให้มานะเป็นต้นพวกนั้นก็เป็นจะต่อด้วยวิจิกิจฉาสังโยชน์เนี่ยนะพันก็ก็เริ่มมาใคร่ครวนพวกเนี้ยถ้าติดข้องในสิ่งเหล่านี้มันติดยังไงถ้าจะแก้นะแต่ละอย่างเนี่ยจะแก้ได้ยังไงก็คือมามาฝึกใคร่ครวนละเนี่ยนะเพราะว่าการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ไม่เฉพาะแต่ภายในตัวอย่างเดียว นะเพราะบางอย่างก็พิจารณาเอาบุคคลอื่นที่เขาติดข้องในสิ่งนั้นก็ได้บุคคลอื่นที่เขามีโทสะในวัตถุนั้นก็ได้เพราะน้อมพิจารณากลับไปกลับมาทั้งหมดจนกว่าจาักล ะ, ะสังโย ท, ทั้งหมดเหล่านี้ได้เนี่ยนะเช่นสมมติว่าพระโยคบาวจรหรือพระภิกษุไปบิณธบาตในกรุงสาวัตถีแล้วก็ไปเห็นผมงามๆเข้าหมายความว่เาเอาอายตนะบัพพาเนี่ย เอามาเอามาโย น, สโนใสวนมันน่าสิบขาดเกิดขึ้นยังไงมันจะดับยังไงในชั้นต้นนะต้องไปแก้ให้มันระงับก่อนคือไม่ใช่ไปตามคิดเรื่องนั้นเพราะคิดเรื่องนั้นยังไงมันก็งามอยู่ตลอดนั่นนะเรียกว่าเรื่องนี้พักไว้ก่อนอะนนะ้เรื่องที่ไปเห็นว่างามมาเนี่ยพักไว้ก่อนคือไปหาอสุภะอย่างอื่นให้มันอสุภะก่อนเนี่ยนะหมายถึงว่าให้มันหายเมาก่อนนั่นนะแล้วค่อยหยิบเรื่องนั้นมาไข่ครวนว่าไอ้ที่เช่นที่ไปเห็นเนี่ย องค์ประกอบมันอะไรบ้างมีจักสุมีรูปนะแล้วจกักษุประกอบไปด้วยอะไรแล้วสีของผมมันนั้นคืออะไรเพราะถ้าเจริญอย่างนี้ป้าถ้าพอเวลาคิดปั๊บตันหามันแทรกเอาสุภาใหม่นะก็เจริญอ่ะสุภาใหม่แล้วก็ค่อยมาจะสลับกันอยู่อย่างนี้ตลอดแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้กําลังผมเนี่ยกําลังงามแล้วก็น้อมยังไงคิดยังไงก็ ง, งามอย่างนันเถอะก็กบอย่างที่พระรูปหนึ่งท่านว่านะก็ท่านก็นั่งพิจารณาเนี่ย นั่งนี่แหละก็ดูเอ๊ะดูยังไงมันก็งามเขาว่ามั้นไม่เห็นมันไม่งามเลยนะยิ่งดูยิ่งงามมันก็นี้ถ้าหนักขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะพราะมันเหมือนกับเมาอยู่แล้วใช่ไหมก็ยิ่งเพิ่มฤทธิ์ไปเรื่อยฤทธิ์ไปเรื่อยฤทธิ์ไปเรื่อยเพราะนั้นวิธีเขาก็จะพลากออกไปก่อนเนี่ยนะให้ไปใ ห, ให้ไปเจริญอสุภะอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตมันสงบด้วยจากกิเลสก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาหรือเหมือนกับว่าเรา โกรเกลียดใครเนี่ยนะแล้วไปเจริญเมตตาให้คนนั้นต้องไปฝึกเจริญให้คนอื่นก่อนแล้วค่อยๆหัดน้อมไปไปหาคนที่เราเกลียดเนี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะตัดราคาในวัตถุใดก็ต้องไปพิจารณาไอ้วัตถุที่ที่มันก่อให้เกิดอสุภสัญญาได้ง่ายก่อนแล้วค่อยน้อมในวัตถุที่เราถือว่าสุภาพสัญญานี่มาเทียบเคียงไปมากๆมๆ ก, ก, ก, ก, ก็จักละได้เพราะว่าถ้าไปใส่ใจในนิมิตอันนั้นก็ ก็ยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอยู่แล้วมาดในข้าศึกนั่นนะก็เรียบร้อยหมดมีบางคนเนี่ยนะพระหลายๆรูปที่ทำตัวว่าโหเก่งเหลือเกินเลยนะไม่มีเหลือสักคนเลยก็ดูถูกกิเลสเกินไปเหมอนกันนะั่นนะของของเราเรารับเป็นโลภะนะเขาของมาให้เราแล้วเรารับเป็นโลภะปะ ถามใครอ่ะ <L>. <contexto> ใครรับอ <unhappy. S 2> ่ะเอาแล้วของนำมาจะไปรู้ใจโยมเหรอถ้าเราถ้าเราไม่อยากได้ก็ไม่เป็นโลภะที่นก่นครับเป็นโทรสัพท์คือเราคิดว่าเขามาให้เราแล้วเราเราเรารับเนี่ยเขาก็ได้บุญแต่เราไม่รับเขาก็อดได้บุญบุญในเนี้ยเลยเรารับเอาไว้ถ้าอย่างนี้นี่แล้วถามว่าในขณะนั้นเราติดข้องไหมล่ะในวัตถุนั้นไม่ติดครับอ๋อก็ แล้วน้อมจะให้ทานไว้ล่ะหรือมุทิตากับเขาไหมหรืออนุโมทนาด้วยไหมมันต้องเอาบุญกิริยาวัตถุสิบมาจับอนนะว่ามันเข้าบุญกิริยาวัตถุตัวใดตัวหนึ่งไหมถ้าไม่เข้าก็ก็โลภะกับโทสะสองอย่างนั่นแหละแต่ทีนี้ว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยนะก็ใจเราก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะคำถามเนี่ยถามแปลกมากเเรียก <laughs> ว่าชอบชังอยู่ที่ตัวเองมาถามคนอื่นเนี่ยนะ